บุ๊กทูหกสิบหกช s สตชสับพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งザโมเอเรมิลคีเยกผมของผมมันมาเลมัน ผมหากุญแจของผมไม่พบมันเคล ด, ดัมรอเพดอไมมีค้อนผมหาตัวรถของผมไม่พบมันเบลีเทอตูบสซัมรอเพดอไม่มีค้อนคุณของคุณทูโมเลตคุณหากุญแจของคุณเจอไหม เคลีดัทร์เพย์ดอ์ดีคุณหาตัวรถของคุณเจอไหมเบลิตเออทบูซาร์เพย์ดอ์ดีเขาของเขาอูมอลอูคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนมีดานีเคลียดอูโคจส คุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหนมีดอนีบลิตาโอทบูชาชโคจาสเธอของเธออูมาลอูเงินของเธอหายพูลาชก้มโชดดและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยคาร์ตเอเอเทบาริอัชฮามก้มโชดด เราของเรามอมอลมอคุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย پدر ย์บริสุทมอนมาเรียสคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีมอดาร์บริสุทธิ์มนซเลมัสคุณหนูของหนู ชโม่โม م เลยโชเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนเบเชอร์เพดาร์ตันโคจัสเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนเบชอร์มาเดร์ตันโคจส